พระธรรมทิศนาแผ่นที่ห1อดลำดับที่เจ็โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9มีนาคม2556มีชื่อเรื่องว่าอาหารใจวันนี้เป็นวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2005 156ห้าสิบหกเป็นวันเสาร์พระนคสัตธ า, าติโยมทุกหมู่เหล่าในเดือนหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งหรือในปีหนึ่งพวกเราก็ควรจะแสวงหาเรื่องแสวงหาความสุขทางด้าน จ, จิตใจอาหารกายพวกเราควรแสวงหามาอย่างโชคโซน สชคโชยยังไงคือเราทํามาหาเลี้ยงชีพตื่นขึ้นมาเราก็ไปทําการทํางานถ้าเป็นข้าราชการก็ทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพพวกทํามาค้าขายแต่และ ว, วิชาอาชีพก็การแสวงหาเงินเพื่อมาเป็นปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ อันนี้คือการสแสวงหาทรัพย์ภายนอกเพื่อเป็นปัจจัยสี่เลี้ยงชีพของเราให้ได้รับความสะดวกสบายแต่พวกเราขาดขาดการส่องแสวงหาทรัพย์ทางด้านจิตใจการส่แสวงหาทรัพย์ทางด้านจิตใจคือหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าอาหารกายอย่างหนึ่งอาหารใจอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะ อันนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ไปค้นคนว้าศึกษาเรื่องอาหารของใจจะทำยังไงจึงให้ใจมีกำลังอาหารของใจจะทำยังไงจึงจะให้ใจเข้มแข็งจะทำยังไงจึงจะให้ใจเป็นอิสระนี่อันนี้ก็คือมันต้องศึกษามีแนวทางแต่พวกเรามีแต่การสะแสวงหาทรัพย์มาเพื่อเลี้ยงชีพ แต่ตามไม่จริงมันก็ถูกต้องในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่ามันผิดมันถูกแต่มันถูกในระดับเหมือนจะว่าถูกทีเดียวทุกอย่างการแ ส, สวงหาทรัพย์นั่นแหละถูกต้องที่สดุดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านบอกอาหารกายก็คือข้าวน้ําโภชนาอาหาร อาหารยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่งห่มที่อยู่อาศัยอันนี้คือปัจจัยสี่หรืออาหารกายขาดไม่ได้ต้องมีอาหารกายนั่นคืออะไรคือเงินคือแ ส, สวงหาเงินเมื่อได้เงินแล้วก็ซื้ออำนวยความสะดวกในสิ่งเหล่านั้นได้แต่เงินไม่สามารถที่จะซื้อนามธรรมคือความสุข ส่วนเลือ ก, อกได้ได้ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็คือการทำทา น, นการทำทานการเสียสละการช่วยเหลือชุมชนสังคมอันนั้นคือคือส่วนหนึ่งก็เป็นอาหารทางด้านจิตใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ตรงยังไม่ตรงจุดทีเดียวเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพวกเรามีแต่สแวงหาปัจัยเพื่อเลี้ยงชีพ เพื่อเลี้ยงร่างกายแต่ขาดอาหารทางด้านจิตใจอาหารกายอาหารใจที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าอาหารกายถึงพวกเราจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงไปถงเถอะเลี้ยงร่างกายพอเลี้ยงเข้าไปก็แก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะเลี้ยงร่างกายนะให้อยู่ยง ร้อยปีหมื่นปีแสนปีไม่มีกระึงกําหนดของมันมันก็ร่องรยไปตามอายุสังขารอันนี้ถึงจะเลี้ยงให้อาหารดีขนาดไหนก็เถอะให้ยาดีขนาดไหนก็เถอะให้ผ้านุ่มหอมราคาแพงขนาดไหนก็เถอะที่อยู่หรูหราโออามีความสุขดีที่สุดขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่คุ้นไม่เชื่อง ที่จะเลี้ยงขนาดไหนก็ยังหันหลังให้กับใจอยู่ตลอดเวลาเนี่แหละร่างกายการเลี้ยงร่างกายการเลี้ยงพอประมาณลองประมาณอย่าให้เกินไปถ้าเราเป็นเกินไปแล้วก็ทุกทุกใจต่างหากเพราะว่าเราเดินตามหลังไปงอ ก, กายเท่าไหร่กายก็ยังหันหลังเฉยไม่ได้สนใจใไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกับใจของเราเลย มันมีแต่เดินไปตามอายุสังขารของมันไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคือร่างกายของคนเราพิจารณาดูซินี่แหละท่านว่าให้เลี้ยงพอประมาณให้ดูแลสุขภาพต่อมาก็ให้ดูแลถ้าหากว่าต้องการความสุขอาหารปัจจัยสี่ก็ให้เพียงพอสมบูรณ์พอสมควรคือเลี้ยงร่างกายจากนั้นก็ให้ดูแลร่างกายออกกําลังกาย ให้พักผ่อนให้นอนให้เปลี่ยนอริยาบทอันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพกายแต่การดูแลสุขภาพจิตอันนี้เป็นต้องต้องศึกษาต้องศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการดูแลสุขภาพจิตนี่เป็นสิ่งจาเป็นสาคัญมากเลี้ยงร่างกายของเราเราก็ได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเราไม่ออกกําลังกายไม่ดูแลสุขภาพกายกายของเราก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเพราะว่าเหตุว่าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายก็ททำให้เราหาความพาสุขไม่ได้ในชีวิตนั้นๆแต่ถ้าว่าเราไม่ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพจิตของเราย่ำแย่มีอะไรก็รับหมดมีอะไรก็โมโหโกธาไปหมด ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักทำใจไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจจิตใจของเราก็ทกๆทกกับสิ่งเหล่านั้นผลในสุดเสียสูญเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเรารับทั้งหมดไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางผลในสุดก็เป็นปัสสาทขึ้นมาในเมื่อเป็นปัสสาทขึ้นมาแปลว่าสุขภาพจิตย่าแย่ ถ้าเป็นยังไงก็ยิ่งแย่กว่าส่วนอื่นสุขภาพกายของเราก็ส่วนหนึ่งถ้าว่าเราไม่ดูแลสุขภาพกายอย่างที่ว่านะเราเป็นนอนเป็นเอามาพึกเอามาพาดสักจะไหก็แย่ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพจิ ต, ส, จตสุขภาพจิตเสียหายอย่างที่คนเป็นโรคประสาทอย่างพวกเราเห็นในศรีธัญญาอย่างนี้เป็นตน้น อันนี้แปลว่าสุขภาพจิตลมไม่รู้จักปล่อยวางก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะะมันมีหลายๆลยอย่างสําหรับคนคนนั้นที่มันเป็นลักษณะนอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือกรรมนั่นนะกรรมคือการกระทํากรรมกระทําในอดีตมันเกี่ยวเนื่องกันไปทั้งหมดนะแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะเป็นกรรมขนาดไหนแต่เราพยายามสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจ ให้รู้จักศึกษาธรรมะเราให้แยกให้ออกว่าอาหารกายนันคืออะไรอาหารใจนันคืออะไรอาหารกายก็คือข้าวน้าโภชนะอาหารอาหารใจก็คือธรรมะธรรมะเนี่ยคือมีหลายระดับท่นนี่ยอาหารธรรมะมีหลายระดับคือทำพยายามติดใจให้สงบอาหารธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาไม่ต้องพูดถึงทานถึงศรรลีลอะไรท่นเนี่ยมาถึงพูด รวบยอดเอาสุดยอดในทมคำสอนที่พระพุทธเจ้าไปโค้คว้าวันเดือนหกเพนไปนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อคนจิตใจของเราเป็นหนึ่งจิตใจสงบจิตใจนิ่งจิตใจปล่อยวางจิตใจไม่ยึดมั่นหรือมั่นนั่นแหละคือเอาอาหารเข้าสู่จิตใจจิตใจจะมีพมลังมีกาลัง คิดอ่านใจตรองเหตุผลอะไรก็มีเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกฎเป็นเกณฑ์เพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราเป็นหลักใจของเรามีพลังใจของเรามีเหตุมีผลเพราะนั้นเรื่องอาหารเข้าสู่จิตใจนี่พวกเราจะต้องศึกษามันมีหลายระดับมีหลายแนวทางเหลือเกินยิ่งกว่าอาหารทางกายอีกเสียอีกเพราะอาหารทางนามธรรมามันไปนรับอาหารได้ไง่าย ไปรับสิ่งภายนอกได้ไง่ายๆพอรับมาแล้วทอนี้บางครั้งเหร อ, อโอ้โหกว่าจะปล่อยออกได้โมโหโกธาอยู่นั่นน่ะเหมือนกับตัวเองจะไม่ล้มไม่ตายเหมือนกับตัวเองจะอยู่ในโลกวัตะสงสารนานเท่านานแต่มันไม่ใช่อแต่พอเรามาพิจารณาอีกมุมหนึ่งพอเราแก้ตกปุ๊บลงไปโอโ้ใช่ในช่วงนั้นเราทําไมจึงโง่นักอะ่ะเราจึงแบกอยู่ตลอดลเวลาเวลาทําไมเราไม่รู้จักปล่อยจักวางบ้าง แต่ช่วงนั้นไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเรียนรู้ไม่ได้รับการปฏิบัติมันปล่อยวางไม่ลงแต่เมื่อปล่อยวางลงแล้วเราก็เห็นความไม่ฉลาดของเราเหมือนกับเราสมัยก่อนเราไม่ได้เรียนหนังสืออย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้แต่พอเราเรียนเราศึกษาในวิ ช, ชาต่างๆขึ้นมาเรารู้ขึ้นมาแล้ววิ ช, ชาที่เรารู้แล้วเป็น อวิชาหรือว่าตัวที่ไม่รู้นะมันก็ตกไปกระตกไปแล้วเอ๊ะทำไมเราเราทำไมจึงโง่นักแต่ตามไม่จริงเราก็ไม่ได้ศึกษาจุดนี้มันก็ไม่รู้เนะียนี้ก็เหมือนกันนะขอให้พวกเราคณะศัทธาญาิโยมลูกหลานทุกคนนะเรื่องภาวนาอาหารเข้าสู่จิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสำคัญอย่างมากไม่ใช่สำคัญน้อยในหลักของพระพุทธศาสนา เพราะนั้นอาหารใจหลักใจเลยสาคัญถ้าเมื่อมีจิตใจเข้มแข็งแล้วนะไม่หวั่นไหวไกวแกวงถึงโลกกระทำจะมาในทิศทั้งสี่ก็พร้อมที่จะไปเชิญหน้าได้ทุกโลกกระทอมีราบขึ้นมาก็ไม่สะทกสะท้านเอใกล้ๆกับว่าไม่ฟูจนเกินไปอีกสักวันหนึ่งมีราบขึ้นมามันก็เป็นอันิีจังเหมือนกันของไม่เที่ยง เ, เสื่อมราบขึ้นมา เราก็ไม่หวั่นไหวอีกไม่วิตกอีกเพอเหตุไรเพราะมันเป็นไปได้โลกนี่เกิดมาในโลกนี้มันต้องเจอต้องพบสันนิเสินก็เหมือนกันนินทาก็เหมือนกันนี่แหละถ้าบอกคนผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจแล้วโลกกระทำแปดจะเข้ามาท่านก็มองมองดูรู้ไม่ดีใจไม่เสียใจในเรื่องนั้นๆถ้าคนที่ท่านได้ฝึกอบรม ทางด้านจิตใจดีแล้วนะถ้าว่าไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยรู้สึกว่าวันมันหวั่นไหวควยแขว่งนะเออมันทุกข์มันก็ทุกจริงจริงเออถ้าพอมันสุขแล้วกระโดดโลดเต้นเฮ่เหมือนกับตัวเองจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยแต่ตามไม่จริงโลกนั้เป็นโลกอันได้จังนะมันไม่เที่ยงมันมีสุขๆุขทุกทุกทุกทุกสุขๆุเนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถามว่าความสุขที่แท้จริงของคนนั้นคืออะไร ความสุขที่แท้จริงของพวกเรานั่นคืออะไรค้นคว้าหาสิหความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงมีไหมมีแต่ความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกได้คำเดียวถ้าชาระใจออกจากกิเลสกิเลสออกจากใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะสแสวงหาเราจะพบความสุขที่แท้จริงได้ถ้ากิเลสยังอยู่ในจิตใจอยู่ ท่านจะพบความสุขแท้จริงนั้นยังไม่ได้เพราะมันยังเปลี่ยนแปลงมัน ต, บตรบแตงปุกมีสุขมีทุกข์มีสุขมีสุขมีสุมีทุกข์สลับกันอยู่ฉะั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านศึกษ า, าศึกษาการทำคำสอนจะทำจิตใจยังไงจิตใจจึงจะสงบจิตใจจะมีความสุขอาหารเข้าสู่จิตใจนะั้นเอาให้อย่างไรเราจะให้อย่างไรให้อาหารกับ ใจิตใจของเราแต่เราเอ า, เอาอาหารให้เด็กเราก็ยังรู้จักวิธีใช่เด็กขนาดไหนกินขนาดไหนเป็นขนาดไหนเรายังให้รู้จักวิธีที่ให้อาหารกับเด็กใจของเราก็เช่นเดียวกันเราควรจะศึกษาแล้วขอนำอาหารเข้าสู่ใจิตใจของเราเราจะทำยังไงใจของเราจึงจะได้รับความสุขสงบเย็นรับพร อ, อนุโมทนาให้พร